ท่านสาธารชนวุตรบริษัททั้งหลายและประโยชนคาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากานสมาทานศีลสมาทานพกรรมฐานแล้วในวันนี้ขอแนะนำท่านในหมวดของจตุธาตระฐานศีลเป็นพระกรรมฐานกองหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน แล้วว่าการปฏิบัติขมัดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็โปรดอย่าทิ้งหลักใหญ่คือหลักโสตของอนาปานุสติกรรมฐานการาเจริญเป็นกรรมฐานเพื่อผลในการทรงฌานหรือย่างปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นก็ทิ้งอานาปานุสติกรรมฐานไม่ได้ แต่ท่านจะย้อนกลับไปหานาปานุสติกรรมฐานก็เป็นการเสียเวลาเปล่าฉะนั้นหากว่าท่านหลายมีความประสงค์จะมีในเรื่องในการเจริญกรรมฐานให้เมีารมณ์เป็นฌานก็จงย้อนไปหานาปานุสติกรรมฐานฝึกตามนั้นสำหรับในตอนนี้จะพูดถึง จะตุท่านประธานเลยทีเดียวจะตุท่านประธานนี่เป็นกรรมฐานพิจารณาแต่ว่าการพิจารณานี่ต้องอาศัยสมาธิควบคมุมถ้าปราศจากสมาธิควบคมุมก็ไป็อว่าปัญญาของเราไม่อยู่ในขอบเขียที่จะบรรลุ การใช้สมาธิควบคุมก็แช่นาปานุสติกรรมฐานเป็นเบื้องตน้นคือกำหนดรูลมให้ใจเขาออกแล้วต่อจากนั้นไปบรรดาท่านหหลายมีความประสงค์คือชินในกรรมฐานกองใดที่ทำใจของท่านในทรงตัวก็จิตเข้าไปจับกรรมฐานกองนั้น เมื่อจิตจับจกการทรงตัวจิตมีความสบายสงบสงัดแล้วคลายอารมณ์ของท่านลงมาสู่อุปจารสมาธิแล้วก็มานั่งพิจราจรณาเจตุธาธิฐานสี่คำว่าธาตุจตุธาธิฐานสี่ก็คือธาตุสีนั่นเอง มาพิจารณาหาความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนละสัตว์ที่มีร่างกายขึ้นมาได้นี้เพราะสายมีธาตุสี่ประชุมกันประคับประคองเข้ามาเป็นกายแล้วก็นั่งนึกเมื่อฟังอย่างนี้แล้วก็ใช้ปัญญานึกตามไปด้วย จงอย่าฟังแต่แค่ผ่านหูไปคำว่าธาตุสี่คือธาตุหนึ่งธาตุดินสองธาตุน้ำสามธาตุลมสี่ธาตุไฟอาการที่มีความเข้มข้นหรือแข็งได้กันเลื้อหนังกระดูกเป็นต้นอย่างนี้ถ้าเรียกก็ว่าธาตุดิน น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำปสัสสาวะทะเลทุ่ลายเป็นต้นอย่างนี้เป็นธาตุน้ำลมให้ใจเข้าออกเป็นธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายเป็นธาตุไฟที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ธาตุเพราะว่าจะได้รู้สาภาวะความเป็นจริง ว่าร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้มันเป็นของสี่อย่างเข้ามาะสมกันจัดว่าเป็นร่างกายเมื่อร่างกายมีของสี่อย่างเข้ามาผสมกันตอนนี้เป็นสมถะภาวนาในหรับก็ให้พิจารณาว่าของสี่อย่างนี้มันเป็นนิจจังหรือว่าเป็นอนิจจัง คำว่านิจจังมันเที่ยงทรงตัวอยู่ตามปกติไม่มีการเสื่อมคลายถ้าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงตอนนี้ไปวิปัสสนาญาณแล้วก็ามานั่งดูว่าธาตุสี่คือธาตุดินมันทรงตัวไหมสิ่งที่เราจะเห็นได้ไง่ายๆเขาคือธาตุดินในกระหนังเนือกกระดูก โดยเฉพอะอย่างยิ่งสิ่งที่เห็นได้ง่ายก็คือหนังเนื้อมองยากสมกิดหนึ่งเพราะว่าตามันมองไม่เห็นเนื้อได้ก็มาดูผิวหนังความเปล่งปลั่งของร่างกายเมื่อยามเป็นเด็กที่คลอดมาใหม่ๆร่างกายสดสวยเนื้อหนังเปล่งปลั่งเต็มอกอันโตขึ้นไม่หน่อย ความเจริญของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นแต่เรามองหนังมีความอ้วนพีมีความผองใส่ร่างกายสวยขึ้นเจริญไวขึ้นไปถึงที่สุดถึงความเป็นหนุม่มเป็นสาวก็วปรากฏว่าตอนนี้น่ารักถ้ารักเขาก็รักกันตรง น, นี้แหละอีตอนเป็นหนุม่มเป็นสาวไม่เปล่งปงั่ง ดูผิวพรรณเปล่งปรัง่งชีวิวผิวพรรณดีการอวบอันของร่างกายดีเป็นที่น่ารักกำลังร่างกายก็มีการท่งตัวนี้เมื่อการอย่างนี้ปรากฏถ้าเรามองกันไได้ของด้านวิปรสสนาญาณก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นอนิจจงมันไม่เที่ยง ถ้ามันยังว่าไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆแล้วก็มันก็จะต้องเป็นเด็กอย่าแบบนั้นออกมาจากท้องแม่แค่ไหนมันก็โตแค่นั้นมันไม่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวมันได้แต่การเติบโตแบบนี้สิเรารักกันว่ามันจะเริงขึ้นแต่เนื้อแท้จริงๆมันดินเขไปหาความตาย มาตอนนี้มองยากนิดหนึ่งที่เห็นว่าอาการร่างกายนี่มันมีสภาพเสื่อมรคที่ว่าแปลนิจังเรามักจะมองไม่เห็นแต่ใช้ปัญญาพิจารณาจริงๆก็จะเห็นว่า ต, ตอนนี้ต้องใช้ปัญญานิดหนึ่งว่าถ้าร่างกายของเราทรงตัวจริงๆเอาตัวเราก็แล้วกัน ไม่ต้องไปมองคนอื่นเขาดีไม่ดีได้คืนมองคนอื่นมองพนไปลืมตัวเราเองเห็นคนอื่นเขาแก่เรานึกว่าเราไม่แก่ร่างกายของเขาเปลี่ยนแปลงไปเราคิดว่าร่างกายของเราไม่เปลี่ยนแปลงทางที่ดีแล้วก็ถ่ายรบสายภาพไปทุกๆปีนั่นแหละดี เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราล่างกายมีเป็นปกติเคลื่อนไปทีละน้อยแะ่น้อยจากเด็กมากความเป็ี่ยนทั้งความเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนที่ทิ้งความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วตอนนี้เริ่มยุ่งยุ่งอะไรรู้ว่ามีความยุ่งด้วยต้องการให้มันทรงอยู่ต้องการความเป็นหนุ่มเป็นสาวให้มันทรงอยู่ เคยถามหนุ่มถามสาวทั้งหลายเถอะมั่งใครอยากแก่บ้างไหมเป็นั้นว่าคนที่อยากแก่ในเะห็นจะหายยากที่สุดในโลกพี่กล่าวอย่างนี้ก็ไม่ทราบว่ามีใครบ้างไหมที่อยากแก่แต่ส่วนใหญ่ถามคนทุกคนไม่มีใครอยากแก่เพราะแก่มันไม่ดี มันไม่ดีตอนไหนความเปล่งปรั่งของผิวพรุ์ต่างๆความอวบอัดคอนเนื้อนหนังต่างๆที่มันจะมีการส่งตัวมันเหี่ยวลงไปเทียนน้อยดั่น้อยมันมีการเริ่มสุดสุดลงไปเทียนหน่อยไว้กันเลยยี่สิบห้าปีไปชักเริ่มไม่ดีแล้ว ถ้าเป็นสาวเขาก็เรียกว่าสาวแก่ okay. ถ้าเป็นหนุ่มก็ยังเป็นหนุ่มเก๋อยู่แต่ถ้าว่าก็เริ่มแก่สูไวัยสิบหกถึงเจ็ดสิบแปดยี่สิบเขาไม่ได้รู้สึกว่าราคามันจะตกไปนิดนิดตอนนี้ถ้าเราคิดเราจะค่อยๆมองเห็นเรื่อร่างกายนี่มันเป็นอ น, นิจจังจริงๆ มันเป็นของไม่เที่ยงจริงๆมันสุดโซมใบตาลที่เราไม่ต้องการนี่ต่อไปเมื่อวัยตกก็ไปถึงสี่สิบคราวนี้ถ้าเราใช้ปัญญานะถ้าไม่ใช้ปัญญาก็มองไม่เห็นเหมือนกันถ้าใช้ปัญญาแล้วเราจะมองเห็นบางคนเพียงแค่สามสิบเศษ ความเปลี่ยนแปลงของผมปรากฏโดอจากผงสีดำสนิทกลายเป็นสีเริ่มแดงๆบานรายก็เริ่มขาวๆที่เรียกว่าผมงอกถ้าผมไม่งอกอย่างนี้ที่ว่าร่างกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแน่ ความจริงกรรมฐ า, านบทนี้จับเข้ามาทีเดียวก็เป็นวิปัสนาญาณเลยถ้ารู้ว่าร่างกายเป็นธาตุสี่เป็นวิสมัตาภาวนาเห็นว่าธาตุสี่มีสภาพเสื่อมอันนี้เป็นวิปัสนาภาวนาก็มาฐานบทนี้ถ้าฉลาดจริงๆใช้บทเดียวเป็นอาหันได้เลยท่านึงก็มองกันต่อไป ในระยะไม่ช้าถ้าไม่งอกน้อยมันก็ออกมากกลายมากถึงแม้จงอกในที่สุดแต่บางคนผมไม่งอกถ้าผมไม่งอกดูตรงไหนดูตรงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะเห็นผิวหนังผิดไปมีสภาพไม่ผ่อใสเท่าหนุ่มสาว สภาพหย่อนยายของผิวหนังจะปรากฏขึ้นเรื่องวัยวะต่างๆที่เคยตึงเต่งเปล่งปรั่งจะลดตัวลงกลายเป็นผิวหนังที่มีความสวยน้อยมีความเอิบร่างกายมีความเอิบอิ่มน้อยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าธาตุนินที่ประชงกันอยู่มาสุดตัวไป หรือไม่เช่นนั้นก็มา น, นั่งมองสิ่งที่เห็นได้ง่ายในตาของเราในสมัยที่มีความเป็นเด็กเป็นนมเป็นสาวมีความผ่องใสมองอะไรก็เห็นชัดของเล็กของน้อยมองอยู่ชัดทุกอย่างแต่ถ้าว่ามาตอนนี้ วัยส0ิบปีดีไม่ดีต้องเอาแก้วคำปาปาตาขยายแสงสว่างออกไปให้มันมากขึ้นช่วยสายตาที่มอหมองลงไปรวมความว่าตอนนี้เห็นตาแก่เธอตามันเริ่มใช้ไม่ได้เมื่อตาแก่แล้วหูมันก็เริ่มแก่ชักฟังอะไรไม่ค่อยถนัด ร่างกายคือกําลังบังชามันก็เริ่มแก่จนชักเสื่อมโหลกําลังสมองคือความจำและจิตใจมันก็เศร้าหมอหลงซุดตัวลงจําไม่เลยดีตามเดิมชักจะเริ่มลืมหน้าลืมหลังตอนนี้เห็นแล้วหรือยางว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงมันสุดตัวไปทุกวันทุกวินาที อายุเกินสี่สิบปีไปถึงห้าสิบปีอันนี้เริ่มยุ่งมากขึ้นร่างกายมันจะโทรมชัดชัดมากถ้าเราไม่ลืมตัวจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างการเคลื่อนไหวมันเลวตัวลงทุกทีไม่ใช่มีขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าร่างกายมัน ไอ้่าดินมัสซุดตัวมากลงไปพอวัยผ่านเข้าไปหกสิบปีสมัยนี้เขาเรียกกันว่าเกษียณอายุตอนกเกษียณอายุที่ท้าเร่ไกลเขาไม่ใช่ก็เพราะอะไรแต่เลองคนมาถึงอายุหกสิบปีนี่มีสภาพเป็นปู่เป็นตาคนแล้ว แในความจริงๆเนื้อแท้จริงๆคนเรานี่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือว่าแก่บนแก่ล่างเรายอมแต่กลางไม่ก็จะยอมแก่หมายความว่าแก่บนนี่ผมงอกยอมรับว่า ม, นมันไม่แก่หูฝ่าตาฟางฟันหักฟันหลอยอมรับว่ามันแก่ แต่ล่างก็หมายถึง ว, ว่าเท้ามันเดินเมื่เคยไหวยันเมื่อคยอยู่เป็นเซไปพุดหมายอันนี้เรายอมแก่แต่กลางที่ไม่ยอมแก่คือใจขาดสติสัมปชัญญะแก่เท่าไรไม่มีความรู้สึกตัวว่าแก่คิดว่ายังไม่แก่อยู่เสมออันนี้ต้องคิดนูด่ ว, ว่าให้กําลังจิตมันเลื่อมตัวในที่สุด ความตายจะเข้ามาถึงถ้าการบีบขั้นทางกายคือการซุดมันสุดมากลงไปมันก็จะต้องตายความตายมีเป็นปกติของคนที่เกิดก่อนเราเกิดที่หลังเราเมื่อคนที่มีสติสามมีปัญญาสามมองไม่เห็นไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องตายไม่ต้องคิดเหมือนกัน ก็เป็นว่าเรามองกันมาตั้งแต่เด็กเด็กเล็กมาถึงเด็กใหญ่มาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวน้อยถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวใหญ่เลื่อนมาเป็นคนกลางคนต่อมามาถึงเป็นคนแก่และก็ความตายรออยู่ข้างหน้า ตอนนี้เราเห็นว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงว่าธาตุสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุดินมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงมันทรงตัวอยู่เป็นเด็กถ้ามันเคลื่อนมาอย่างนี้ก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงอาการที่มันไม่เที่ยงอย่างนี้ท่านนันหลายมีความรู้สึกยังไง ว่าร่างกายนี้มันเป็นสุขหรือว่ามันเป็นทุกข์อาศัยความเคลื่อนไปการไม่ทรงตัวแบบนี้มันสุขหรือมันทุกข์ตอนนี้พอพลูกขึ้นมาก็ว่ากันมีปะส น, นายญาณเลยเราก็จะมีอาการทราบชัดว่าร่างกายเป็นเด็กคนดี <c oughs> เป็นหนุม่มเป็นสาวคนดีเป็นคนวัยกลางคนคนดีเป็นคนแก่คนดีอาการตายยาคายก็มาถึงก็ดีมันเป็นสภาพของความทุกข์มันทุกตรงไหนทุกที่มันไม่ตามใจเราเวลาที่เป็นเด็กเราต้องการความเป็นหนุม่มเป็นสาวความเป็นหนุม่มเป็นสาวคเคลิบกรรมที่ใเท่าไหร่เราพอใจ แต่ว่าขณะที่มีความพอใจในในการที่การกายก้าวขึ้นไปสู่ความบันลมบันสาวตอนนั้นเราพอใจแต่ถอยหลังเรื่องการที่จะเคลื่อนไปของร่างกายมันเป็นสุขและเป็นทุกข์ขณะที่ร่างกายกำลังจะเคลื่อนไปนีมันใหญ่โตขึ้นได้มันต้องอาศัยอาหารเป็นสำคัญ การที่จะนำอาหารมันได้มันมาด้วยอาศัยความเหน็ดเหนื่อยได้มาจากการแสวงหานอกจากอาหารต้องเครงมีเครื่องอุปโภคบริโภคคือเครื่องแต่งตัวร่างเครื่องเครื่องแต่งร่างกายแล้วก็มีเครื่องที่ต้องใช้มีบ้านเป็นที่อยู่มีของใช้มีขนมนมหน่อยเป็นต้นซิ่งท่านหลายเหล่านี้ เราหามันได้เดอมหน่ายของความสุขหรวออาหารมันได้เดอมหน่ายของความทุกข์ขณะที่ร่างกายมันมีความต้องการอาหารคือความหิวเกิดขึ้นมาแล้วไอ้ความหิวมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ท่นี้เนี่ยเมื่อความหิวเกิดขึ้นมันก็บังคับมันก็บังคับให้เราต้องหา การหาอาหารมาบริโภคมันมีความเหน็ดเห น, นื่อยมีการเสี่ยงตอนตรายที่เพิเกิดขึ้นมันเป็นสุขก็เป็นทุ ก, ทกข์พวกความมาทุกข์นี่อาศัยไม่ละพูดกันสัน้นๆพญ่าพูดมันมากไปเลยนะเพราะมีปัญญาด้วยกันทุกคนนี่ก่อนนอกจากอาหารการบริโภคของใช้สอยเครื่องที่อยู่ ขนาะที่ทรงตัวอยู่เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามนี้กฎธรรมดายไม่ได้นั่นคือความป่วยไข้ไม่สบายอาการป่วยไข้ไม่สบายที่มันเกิดขึ้นมาร่างกายเนี่ยมันเป็นความสุขและความทุกข์ปวดหัวปวดท้องเวียนหัวปวดอุจจาระปัสสาวะ อาการเคลื่อนไส่อาการอาเจียนทท้งหมดทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นาการของความสุขและความทุกข์อันนี้อผอคมขอพูดให้คิดคิดได้หรือไม่ได้ผมรว่าพูดต่อไปว่ามันเป็นทุกข์นี่ความจริงร่างกายของเรากำลังจเจริญขึ้น เป็นที่พอใจของเราว่าเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่เราก็มาต้องพบกับความทุกข์ความทุกข์ประเภทนี้มันเกิดมาจากอะไรแพทย์กันไหลายมาจะหาสมุทฐานที่มาของโรคแต่ดูว่าแพทย์ปัจจุบันนี้จะไม่ค่คยหาสมุทฐานนัก แต่แพทย์แผโบราณนี้ก็าวางรากฐานไว้ว่าอายุเท่านี้ที่คืความป่วยไข่ไม่สบายเพราะอะไรเป็นปัจจัยอายุเพียงเท่านี้ต่อไปที่จะมีโรคขึ้นโรคนี้มีอะไรเป็นสมุทฐายคือเป็นเหตุแนะนี่เป็นต้นถ้าเราจะมาพิจารณาตามน้อยขวิปัจนายาน เราจะเห็นชัดไปกว่านั้นนั่นก็คือธาตุสี่ไม่สามัคคีกันสามาัคคีเพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีกำลังไม่ทรงตัวหรือไม่มีกำลังไม่เท่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุดินที่ปรากฏว่ามีความสำคัญยิ่งในร่างกายาคือกระดูกก็ดีเนื้อก็ดีหนังก็ดี ที่มันมีการเติบโตขึ้นมานี่เพราะอาศัยอาหารถ้าดว่าอาหารที่กินเข้าไปของเก่าสุดตัวลงแต่ว่าของใหม่เข้าไปสร้างไม่พอถ้าธาตุดินเสื่อมลงไปนิดหนึ่งเราก็ปล่วยหรือว่าธานน้ำหย่อนลงไปหน่อยหนึ่ง ถ้าว่าธานน้ำหย่อนเห็นว่ายัางเป็นโรคท้องเดินยิงเป็นต้นทายมากๆน้ำหมดหมอต้องให้น้ำเกลือแทนนีแสดงว่าธานน้ำมันหย่อนร่างกายก็ไปไม่ไหวเหมือนกันหรือว่าธานลมหย่อนคือการให้ใจไม่สะดวกให้ใจไม่พอความต้องการการขยายของปอดไม่ดีพออันนี้ร่างกายก็ทรุดสอบป่วย เรื่องความอบอุ่นของร่างกายน้อยไปที่เรียกว่าธาตุไฟหย่อนมีความเย็นล่างเย็นบนมือจับมืมือเย็นเท้าเย็นนี่แสดงว่าธาตุไฟหย่อนไปมันยังป่วยเปน็นเพาะว่าธาตุทถวสีน่นี่มันไม่มีการส่งตัวมันหย่อนหน้ามันหย่อนหลังธาตุดินหย่อนบ้างธาตุไฟหย่อนบ้างธาตุน้าหย่อนบ้างธาตุลมหย่อนบ้าง อาการป่วยมันก็ปรากฏร่างกายที่เคยแข็งแรงเปล่งปลั่งมันก็กลับไปอักเฉาทั้งนี้พ่อใหญ่ก็รู้ว่าถ้าทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงอาการอย่างนี้ปรากฏขึ้นมาใจของเราก็เป็นทุกข์เพราะความไม่สบายกายไม่สบายใจปรากฏใจมันก็เป็นทุกข์ ทุกเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันปล่วยคําว่าป่วยเป็นของไม่ดีไม่เป็นที่สนใจของเราถ้าอารมณ์เข้าเราฝืนไม่ยอมรับนับถือเนี่ยมันใจก็เป็นทุกข์สำหรับพระพุทธเจ้าให้คิดว่ายังไงองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศักสนดาทรงแนะนํา ให้ว่าให้คิดโดยใช้ปัญญาอย่าใช้ความจําเฉยๆห้อมจํามันเป็นสัญญาใช้ปัญญาจ้องมองดูเ ส, ว, ว, สว่าเสมอว่าท่าสีเนี่ยมันมีสภาพไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นปกติของมันไม่ใช่เป็นได้เราคนทุกคนในโลกมีสภาวะเสมอกันเกิดแล้วแก่แล้วป่วยแล้วก็ตายเหมือนกัน มันเป็นธรรมดาของมันความหิวเป็นธรรมดาของร่างกายหนาวหรือร้อนเป็นธรรมดาของร่างกายแก่เท่าไม่สมบายป่วยไข้เป็นธรรมดาของร่างกายผมยังออกฟันจะหักหูจะฝาตาจะฟางหลังจะคอมกําลังร่างกายไม่ทรงตัวเป็นธรรมดาของร่างกายและคนร้องสัตว์ทั้งหมด ในที่สุดความสิ้นหวังในการทรงชีวิตคื่อความตายจะเข้ามาถึงมันก็เป็นธรรมดาของร่างกายทั้งหมดเราไม่มีโอกาสที่จะห้ามจะปราบเรื่องของร่างกายได้เลยมันอยากจะแกะ่มันก็ต้องแก่เมื่อมันจะป่วยเราก็ต้องมมันก็ต้องป่วย เระจะห้ามความแก่ระจะห้ามความป่วยระจะห้ามความสึดความโศมไม่ได้องค์ใจที่สุดถ้ามันจะตายเราก็ห้ามไม่ได้ตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแนะนำว่าจงยอมรับนับถือความจริงมันเสีย ถ้าเราสามารถยอมรับนักเขีความจริงของขันห้าคือร่างกายที่ประกอบเป็นธาตุษษษสี่ว่ามันมีสภาพเปร น, นิจจงมันไม่เที่ยงอย่างนี้ความแก่เกิดขึ้นไม่หนักใจสำหรับเราความป่วยเกิดขึ้นไม่หนักใจสำหรับเราอาการที่มันยาพังเกิดขึ้นไม่หนักใจสำหรับเรา มันจะตายเมื่อไรก็ตามใจทิ่ว่าสภาวะของมันเป็นอย่างนี้จิตมันก็เริ่มเป็นสุขสุขเพราะอะไรสุขเพราะยอมรับในือนับถือก่อความเป็นจริงเมื่อคนภายเรือตามน้ําไม่หนักใจอย่างนี้ถ้าจิตคิดอย่างนี้แสดงว่าใกล้ความเป็นอราหารันต์ทั้งว่าท่านทั้งหลาย มองดูเวลาที่ตั้งใบมันหมดเส น, นแล้วสนหรับการแนะนำเิ่งกันละกันคิดว่าท่าสี่ในวันทุ่งนีออ้ก็จบสำหรับวันนี้เขามันดาท่านนันหลายเป็นพระสาวกขององสมเด็จตสัมมาสมัมพุทธเจ้าพากันตั้งกายให้ตรงทำลงจิตให้มัน่น ใช้กรรมฐานที่ท่านพอใจคือภาวนาและพิจารณาตามอัจฉริยจึงจกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรที่จะเลิกสวัสดี